สิกขาบทที่4ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้า น, าคค น, นในสิกขาบทที่4นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต